หกตันหาปกครองเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกปกครองถ้าไม่สู้จะถูกย่ำยีไปเรื่อยๆตกเป็นทาสอยู่เจ้านายของเราคือตันหาสั่งเราทั้งวันสั่งเราทั้งคืนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราเป็นทาสที่ไม่ได้สํานึกว่าตัวเองเป็นทาสฉะนั้นไม่มีวันที่ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ แต่ถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจตัวเองประกอบจะเห็นเลยเราถูกสั่งทั้งวันสั่งให้ไปดูหนังฟังเพลงสั่งให้ฟังซีดีของหลวงพ่อแต่เราไม่เห็นตันหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดเลยเป็นนักปกครองที่เก่งมากหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์นะวิชารัฐศาสตร์สอนว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือปกครองแบบไม่ได้ปกครองผู้ถูกปกครองไม่รู้ตัวว่าถูกปกครองอยู่นึกว่าตนเป็นอินสระนั่นแหละดีมากเลย ปัญหาปกครองเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกปกครองสั่งเราทั้งวันนะมอบงานให้ทั้งวันเลยแล้วเป็นเจ้านายที่ฉลาดถ้ามันสั่งเราแล้วเราเชื่อฟังมันจะให้ความสุขมาหน่อยหนึ่งความสุขยังเสพไม่เต็มที่เลยสั่งให้ทำงานชิ้นใหม่แล้วถ้าเราไม่ทาตามที่มันสั่งมันให้โทษ